เวลาของนิสิตนักศึกษาที่ได้เข้ามาปฏิบัติได้เข้ามาอุปรมเรามีเวลาจากัดอะไรที่จะเป็นประโยชน์ mm hmm. ก็ควรที่จะน้อมเข้ามาเพราะว่าการได้ฟังธรรมะ ก็เป็นการเสริมในคุณธรรมที่เราจะดำรงชีวิตจนถึงวันตายความรู้ทุกอย่างนะที่เราศึกษามานะบางอย่างพอจบไปเราไม่ได้ใช้นะแต่ศีลธรรมและสมาธนะิเราต้องใช้จนถึงวันตาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสมมธิและก็ศีลปัญญาเนะี่ยถ้าใครไม่มีคนนั้นไม่พ้นทุกข์ยืนยันได้โอกาสนี้เราก็เริ่มทำย่างไรให้เราอยู่อย่างมีสมาธิอย่างกำลังศึกษาเราจะมีสมาธิในการ ร่ำเรียนหรือว่าเล่าเรียนทำไงให้ใจเรามุ่งมุ่งสู่การเรียนมุ่งเข้าสู่ห้องสมุดค้นหาทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ความรู้เนี่ยไม่มีสายเรียนตอนแปดสิบก็ไม่สายเช่นเดียวกับความดีเริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่สายถึงจะเลวชั่วมาสัก กี่ครั้งกี่หนถ้ามาชื่อว่าศาสนาไม่ได้มีให้กับคนดีเพียงเท่านั้นแต่ศาสนามีไว้เพื่อเกื้อกูลแม้แต่คนนั้นที่เคยชั่วและเคยหลงผิดพร้อมต้องเคยทำผิดมาศาสนาจะไม่รังเกียจคนเหล่านี้ อย่างดูองคุริมานถ้าเราศึกษาในเรื่องของประวัติในครั้งพุทธกาลองคคริมานนี้เป็นนักฆ่าถ้าเทียบกับยุคนี้นักล่านิน้วมือมือทั้งสองนี้เปื้อนไปด้วยเลือดรู้ไหมว่าวันสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าโปรโด พระพุทธเจ้าไม่ได้ซ้ำเติมไม่ได้ให้ร้ายไม่ได้ทำให้คนที่เจ็บเจ็บไปอีกคนที่เลวเลวไปอีกหรือผิดหวังไปอีกไม่พระพุทธเจ้ามาตรัสว่าหยุดเถิดองคุริมาเราตถาคตหยุดแล้วท่านยังไม่หยุด องคุริมานจึงสงสัยว่าพระองค์หยุดอย่างไรในเมื่ อ, อยังดําเนินอยู่ข้าพุทธเจ้าไล่พระองค์ไม่ทันเสี้ทีหนึ่งเหตุชนไหนจึงตรัสว่าหยุดแล้วองคุริมารเราหยุดแล้วซึ่งการฆ่าเราหยุดแล้วซึ่งบาปมือทั้งสองเราไม่มีศาสตรา เราเป็นผู้หยุดแล้วหนอบาปทั้งหมดเชื่อไม่ว่าองคุริมานได้ฟังเพียงเท่านี้เข่าทั้งสองนี้อ่อนสุดลงเลยนะแล้วก็เป็นนวดเฟนในเบื้องพระบาทในเบื้องพระบาทของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นภาษาสมัยก่อนก็จะจุ่มพิษนวดเฟนเอาเอาหน้านยนวดเฟนแล้วก็ ร้องอุทานว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บาปหนอเป็นผู้บาปหนอนั่นคือความสำนึกซึ่งไม่ถูกลงโทษด้วยแท้ด้วยตรวนหรือด้วยศาสตราความสะดุ้งตกใจในบาปเกิดขึ้นองคุรมานถึงกับร้องว่าเราเป็นผู้บาปหนอเหมือนคนทำผิดแล้วสำนึกได้ พร้อมต้องขอบวชนะมือทั้งสองที่เคยเปื้อนเลือดกลิ่นตัวที่เต็มไปด้วยข่าวเลือดทิ้งหมดเลยเช่นถ้าวกมาถึงนักศึกษาสิ่งที่สำคัญถ้าเราเคยผิดมาเราเป็นนักเรียนแต่เราเที่ยวเวลาการเรียนเราไม่ ไม่สนใจเท่าที่ควรเวลามีช่วงว่างเราไม่สแสวงหาวิชาเพิ่มแต่เราคิดสนุกบางคนก็มาอยู่กับพ่อแม่แยกตัวมาแล้วก็ไปใช้ชีวิตเป็นชีวิตคู่อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะมันไม่ใช่เวลาถามว่าผิดไหม มันผิดในเวลาถูกไหมมันไม่ถูกในเวลาคำนี้คงชัดนะแสดงว่าสิ่งนี้ไม่ควรไม่ใช่เราไม่รักษาตัวไม่รักษาชีวิตในอนาคตที่ยังต้องเดินไปอีกไกลคิดสัน้นยืนยันว่าเป็นชีวิตที่คิดสัน้น เราใช้วัยชีวิตไม่ถูกคันลองสิ่งนั้นจะย้อนคืนกลับมาทำให้ใจเราเองไม่มีสมาธิไหนจะคู่ไหนจะเรียนไหนต้องใช้สุดท้ายสับสนทำไมไม่เอาเวลาที่จะไปเที่ยวฝึกฝนตัวเองมีทื่อเนี่ยนะเหล็กธรรมดา เขาเอาไปรับให้คมได้เหล็กทื่อๆทำให้แหลมคมเป็นเข็มได้ชีวิตตัวเราเองเราดูถูกตัวเราขนาดนี้เนี่ยมันก็หมดแล้วเจนั้นใครใช้ชีวิตผู้ในเวลาเรียนเนี่ยหยุดก่อนธารมาไม่ห้ามนะแต่ให้หยุดก่อนมันไม่ใช่เชื่อตารมมาเถอะ สี่ปีห้าปีที่เราศึกษาหาความรู้นะสปีกให้เต็มที่เอ็กทีบด้วยหน่อยอย่าทีบตัวเองสนใจในสิ่งที่จะเป็นอนาคตดีกว่าอยู่อย่างคนไม่มีการศึกษาเพราะเมื่อยิ่งโตไปโตไปเนะี่ยวุธิภาวะการศึกษา นั่นแหละคือเงินทองของนอกกายอย่าเพิ่งสนใจมือถือเดี๋ยวก็ตกรุ่นรถเก่งเดี๋ยวก็ตกรุ่นเครื่องเสียงที่ใช้เดี๋ยวก็ตกรุ่นเสื้อผ้าที่ใส่อยู่เดี๋ยวก็ตกรุ่นแต่ความรู้เนะี่ยมันไม่ตกรุ่นนะไม่ตกความหวังพ่อแม่ หวังให้ลูกเลี้ยงตัวให้รอดบางคนขณะเรียนอยู่ก็ทำตัวจะไม่รอดแล้วยังไม่ได้เป็นภาระทุระให้ใครเลยตัวเองก็จะไม่รอดน่าคิดไหมเสียงว่าเรานี่แย่และโดยเฉพาะความไม่เคารพในพ่อแม่เป็นบาปเชื่อเพื่อนแต่ไม่เชื่อพ่อแม่ที่เลี้ยงเราผิด แต่มาพูดได้เลยผิดเพื่อนวันดีลองยืมเงินทุกวันเนีพรุ่งนี้บอกขอยืมสักสองร้อยอาทิตย์หน้าขอยืมสักห้าร้อยอีกสามมันยืมสักสามร้อยเรารู้สึกว่าเป็นหนี้เขาแต่เราขอพ่อแม่ทั้งชีวิตไม่รู้สึกเป็นหนี้บ้างหรือคนรู้สึกนะว่าเราเป็นหนี้ท่าน ดอกก็ไม่ได้ใช้ทุนก็ไม่ได้ใช้ทำหน้าตาเฉยแล้วขอได้ทุกวันเนี่ยเราเป็นหนี้ท่านนะอย่างน้อยเขาเขาเรียกว่าหนี้บุญคุณรู้ไหมพวกเราเนี่ยเป็นหนี้เป็นหนี้บุญคุณและจะตอบแทนเมื่อไหร่และจะตอบแทนอย่างไร ในเมื่อเราเริ่มออกนอกทางมันบอกแล้วว่าเราเป็นคนเกเรความรู้ไม่สแสวงหาและไปสู้เขาเหรอสู้ไม่ได้เคยขึ้นเวทีไหมที่เขาแข่งขันกันในเอาเชิงความรู้กันเนี่ยเราจะรู้สึกเก้อเขินไม่แน่ใจ มันบอกเว่าเราไม่มีภูมิไม่มีความอานหารเนี่ยหายหมดเลยก็เพราะเราไม่ศึกษาเราไม่ค้นหาความรู้และปล่อยให้เวลาผ่านไปแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละเดือ น, อ, นอายุมันไม่รอสิบแปดปีนี้สิบเกปีหน้ายี่สิบปีต่อมา แล้วก็พัฒนาไปสู่ย1 2 2มันเคยหยุดไหมแม้ไปนั่งกินเหล้าเที่ยวเตรเ อ, อยู่เนี่ยอายุมันก็ไม่หยุดไวจะผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วคำว่าเสียใจมันช่วยอะไรเพราะทุกคนเรียกอดีตกลับมาไม่ได้มันผ่านไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว เรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วคนผิดก็ผิดไปแล้วเลวก็เลวไปแล้วดีก็ดีไปแล้วนะเราไม่น่าปล่อยฉะนั้นถึงเวลาที่เราต้องรู้จักเคารพหนึ่งตัวเราเรื่องที่สำคัญต้องเคารพตัวเราก่อน 2. เคารพผู้บังเกิดคือพ่อแม่ 3. ผู้อุปการะคุณ เขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเราต้องมีความเคารพเพราะเขามีอุปการะคุณวันนี้ถามคำหนึ่งเสื้อผ้าที่ใส่อยู่หามาเองหรือเขาซื้อให้ยาสระผมแปรงสีฟันสบู่ยาสีฟันเอาเงินที่ไหนมาซื้อ ใครหาให้คิดนิดหนึ่งคนเหล่านี้ควรไม่ที่จะเคารพเขาเหนื่อยมาเพื่อให้เราและให้อนาคตให้การศึกษาให้ชีวิตเราคิดว่าจะทำอะไรบ้างเมื่อจบมาเขาส่งเสียเราปีเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เราคิดจัดจ่ายอย่างเดียวเนี่ยนะ คิดผิดเราคิดจัดจ่ายอย่างเดียวโดยไม่ได้หาเลยเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ว่าญาติผู้ใหญ่เขาไม่ได้บน่นเพราะเขาเข้าใจว่าตอนนี้เรายังเป็นนิสิตนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเราเป็นเหมือนที่เขาให้เป็นไหมและเราเป็นเหมือนที่เราควรเป็นไหมถามตัวเอง บางครั้งพ่อแม่เตือนก็ไม่ฟังครูบาอาจารย์บอกก็ไม่เชื่อเชื่อตัวเองอะดีไหมดีแต่เรื่องอะไรละ่ะเชื่อมั่นเนี่ยดีแต่มาชอบคนเชื่อมั่นตัวเองชอบคนนี้ทำงานใหญ่ได้แต่ถามมาเชื่อมันต้องมีขอบเขต ไม่ใช่เรื่องของเราอย่ามายุ่งฉันไม่สนไม่ได้สังคมไม่ใช่อยู่คนเดียวเรามีพ่อแม่เรามีพี่น้องเรามีสถาบันเรามีมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการแต่งชุดมันฟ้องครูสายปกครอง ไม่ดูแลเรื่องไงเขาบอกดูแลแต่เตือนบอกไม่ฟังมันบอกว่าไม่มีศักยภาพที่จะดูแลนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วก็บอกถึงว่านักศึกษาไม่มีวิ น, นัยทรงผมการแต่งกายไม่จําเป็นต้องโชว์นะมาว่ามันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยที่เราต้องไปโชว์ตัวเอง ทำไมมันสนุกมันดีตรงไห น, นมาก็ยังสงสัยดีไม่ดีพวกว่าการมจะเกิดภัยได้เะนนั้นาการแต่งชุดแต่งตัวก็น่าจะแต่งให้มันอยู่ในในกรอบของระเบียบวินัยในฐานะว่าเรายังอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัย จบเมื่อไหร่โอ้จะแต่งไงแต่งไปเถอะเขาไม่ว่าหาเงินได้จะใช้จะซื้ออะไรไม่มีใครบน่นถ้าเราสามารถใช้ใจ่ายรู้ประมาณมันก็จบฉะนั้นอย่าทำตัวเกินฐานะเป็นหนี้ถามจริงใครเป็นหนี้บ้าง<ม>ไม่ต้องยกมืออายเขายกในใจ มันเป็นสุขไหมไม่เป็นสุขแล้วจะหาคืนเขาอย่างไรในเมื่อ ง, งานก็ยังไม่มีงานทำแต่เงินเป็นหนี้เขาเนี่ยเขาทวงบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันหมดทางนะก็กลับมารูปเดิมก็คือขายตัวมันก็หมดแล้วแต่มาบอกว่าให้ขายความคิด มันแพงความคิดขายมันสมองขายความรู้ที่เราเรียนมาก็เพื่อต้องการขายสิ่งนี้ไม่ใช่ขายตัวขายเรือนร่างเดิมาบอกมันอายเขาคนหมดวิชาแล้วหรือตำรับตำรานหนังสือเรียนมาจบปริญญาไม่ใช่ขายร่างกายเขาขายความรู้ขายมันสมองขายความคิด ไม่ขายจิตวิญญาณแต่ถ้าเราทำตัวนอกกรอกนะพที่สุดหางเงินไม่ได้และเป็นหนี้เขาเนะี่ยทำยังไงไปหลอกพ่อแม่อีกมีกวิธีเดียวเท่านั้นคือหลอกพ่อแม่มันเป็นบาปปีหนึ่งหลอกท่านมากี่ครั้ง แล่ไปดูท่านน่ท่านอยู่แบบสุขสบายหรือคิดแต่ว่าได้เงินมาเพื่อส่งเสียลกูกไม่อายเขาหรือพอแล้วหยุดในการฟุ้งเฟอ้อหยุดในเรื่องของวัตถุนิยมที่มันเกินความจำเป็นคือมันไม่ใช่เวลา ฉะนั้นอย่าไปหลอกพ่อแม่ขอรบท่านรักท่านจงแส ด, แดงความรักอย่าให้ท่านผิดหวังแต่มาขอแค่นี้ก่อนอย่าให้ท่านต้องเสียใจให้ท่านเหนื่อยพอแล้วแต่อย่าให้ท่านผิดหวังท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กๆ ตัง้งแต่อยู่ในท้องท่านให้อาหารทางสายสะดือจนต้องมาป้อนจนต้องหาเงินตอนนี้เราทำอะไรคิดนิดนึงอยู่กับคู่ทำไมไม่เอาเวลานี้ไปเรียนสนุก ใครว่าชีวิตเป็นเรื่องสนุกชีวิตอันยาวไกลเนะี่ยจะมาไม่เห็นใครสนุกสนุกตอนที่ยังไม่คิดอย่างนั้นเลยแต่พอคิดจริงๆยิ่งบอกชีวิตคู่ละไม่สนุกเลยทุกและทุกมากลองแค่นี้ก็รู้แล้วมันเดียวเดียว เหมือนที่ตรมาเคยยกไงว่าเหมือนดอกไม้บานยามเช้าพอเจอแสงแดดมันก็เหี่ยวแล้วก็ร่วงไปความสดใสความหวานความสนุกมันเหมือนเอากระดาษนะกระดาษและขยำจริงๆแล้วทีนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เขาจะดูถูกชีวิตคนคนหนึ่งมีแค่นี้เอง มีแค่เรือนร่างกับความสนุกนี่เหรอมันไม่มีแก่นสารยืนยันได้นะชีวิตจริงๆไม่เขาเรียกอยู่ไม่ตลอดรอดฝั่งเราต้องยืนด้วยรำแข้งตัวเองเราต้องเป็นที่พึ่งตัวเองและสามารถให้เป็นที่พึ่งกับคนอื่นได้โดยเฉพาะพ่อแม่เมื่อแก่ชารา ถึงเวลาแล้วเราต้องตอบแทนต้องตอบแทนฉะนั้นท่านท่านเลี้ยงเรามาเพื่ออะไรท่านเกิดเรามาเพื่ออะไรเพราะวันหนึ่งท่านต้องแก่ชราจะมีลูกยาคนไหนเลี้ยงพ่อแม่คนนี้ได้คิดไหมถ้าคิดจะเลี้ยงท่าน ทำตัวแบบไหนสงสารตัวเองสงสารพ่อแม่ต้องเรียนกลับจากนี้เริ่มเปิดตำราให้หนักศึกษาให้มากเข้าห้องสมุดเอาหอสมุดในมหาวิทยาลัยเนะี่ยเป็นเพื่อนถ้าจะคบเพื่อนคบในห้องสมุด แเจริญแต่ถ้าก็บเพื่อนอยู่ในคลับอยู่ในแท็กอยู่ในบาร์อยู่ในดิสโก้ไม่เจริญในด้านการศึกษาจะเจริญไปในความเสื่อมของการเที่ยวสุดท้ายก็ใจแตกสังคมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วดีไม่ดีถูกวางยาติดยาเสพติด พูดได้หมดสนุกกำลังเดินเซยอยู่เนะดูอาการแล้วมันหมดสภาพถ้าเราเดินออกมาสักอีกเก้าหนึ่งแล้วมองตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนี้พูดถึงว่าชีวิตมันเต็มร้อยนี่คืออนาคตนี่คือสิ่งที่หวังนี่คือสิ่งที่ต้องต้องอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะฉะนั้นต้องคิดยา ว, ยาว ชีวิตมันต้องมีสายปาดมองยาวๆเราต้องมีครอบครัวที่สมบูรณ์เราต้องมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเราจะต้องมีฐานะการเงินที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เราจรึงเข้ามาสู่ในรั้วของ มหาวิทยาลัย อ, อีกปีสองปีก็ถอดชุดแล้วแต่โดยเฉพาะเราเลือกชีวิตในการเป็นแบบอย่างเป็นครูอาจารย์ทำตัวแบบไหนท้องก่อนแต่งไม่ใช่เยี่ยงอยากทำตัวเป็น นักเลงเที่ยวไม่ใช่คือตัวอย่างของนิสิตนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาไม่ใช่เจ้าวิชาเหล่านี้ไปติวให้นักศึกษาคงไม่ได้เละหมดเละเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะสอนวิธีกินเหล้ากินแบบไหนที่เมาช้า มีไหมไอมียอาจารย์จะสอนเธอวิธีเที่ยวเที่ยวแบบไหนหลบหลีกพ่อแม่แบบจับไม่ได้มีใครมีใครไปเรียนบ้างไอบีอาจารย์จะสอนเธอวิธีการอยู่ชีวิตคู่เพื่อสนุกสนานเนี้ยมันเป็นความล้มเหลวหมดมันไม่มีอะไรเลยที่จะ เอาไปเป็นชีวิตจริงที่มันต้องอยู่กับความเป็นจริงทั้งชีวิตไม่มีฉนั้นโอกาสนี้นะหัดเคารพตัวเองไหวตัวเองได้ไหมไหวลงไหมในลงไหวตัวเองด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นคนดีครับฉันเป็นคนดีค่ะ เรายาปาปิ้งไม่แตะไม่ต้องการเรียนไม่หนีเที่ยวศึกษาจริงๆจังจค่ะวันดีค่ะวันดีครับผมเป็นคนดีแล้วครับพ่อแม่พูดได้ไหมใจรู้อยู่นะฉันไม่เป็นหนี้ค่ะผมไม่เป็นหนี้ครับผมใช้เงินแบบรู้จักประหยัดเนี่ยผมมัธยัตหน่าดูครูเขาก็บอกอย่างนั้นมีไหม ไม่มีแต่เธออย่าเวอร์นะอย่าเวอร์เธออย่าโอเวอร์มากเธออย่าเหลืองนะเธอต้องระวังตัวนะไหวยังใครไหวตัวเองได้ไหวให้ดูหน่อยอายจิตมันรู้ไงความลับตัวเองไม่มีหรอกในที่มืด ในที่รับตาก็ไม่มีความลับเพราะตัวเองรู้อยู่มันจบแล้วฉะนั้นพวกเรามาที่นี้มาพูดความจริงแล้วก็อะไรที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นเปลี่ยนแต่มาว่าไม่สายไม่สายหัดเคารพตัวเอง เชื่อฟังผู้ใหญ่คนที่หนีผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ซื่อตัวเองคนที่เขาไม่มีความผิดเขาเข้าใกล้ผู้ใหญ่คนที่เริ่มทำความผิดเริ่มเริ่ ม, มห่างผู้ใหญ่สังเกตตัวเองไหมสังเกตสิเป็นเหมือนที่พูดนี่แหละ รู้สึกไม่ค่อยอยากเข้าใกล้พ่อแม่ไม่กล้าที่จะเล่าอะไรให้ฟังพ่อแม่ถามก็ใบเบี้ยงกลับบ้านก็ไม่ค่อยตรงเวลาพวกเราเป็นคนก็หกเมื่อไหร่นะก็หกเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หกเป็นตั้งแต่เริ่มทะเลทรายเริ่มออกนอกรูเริ่มออกนอก ร, ร, ออกอกรูไม่วิ่งอยู่ในรูทำตัว ไม่เป็นลูกของพ่อแม่ที่ดีท่านเตือนบอกเราไม่ฟังเพื่อนบอกชวนไปเที่ยวเชื่อนี่คือความโง่อีกข้อนหนึ่งพ่อแม่บอกอย่านะลูกเพื่อนบอกไปไปเสพไปกินไปเที่ยวสนุกพ่อแม่ไม่รู้หรอกพ่อแม่จับไม่ได้ เราหลอกท่านทำไมก็ในเมื่อเรายังเป็นนักศึกษาอยู่ทำไมเราไม่ทำช่วงสี่ห้าปีเนี่ยให้เป็นนักศึกษาแล้วก็จบออกไปทำงานศึกษาต่อเรียนต่อแล้วก็ทำงานด้วยมันน่าภูมิใจ เราต้องใช้อีก4ี่สิบห้าสิปีในวันข้างหน้านะมันไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตทำงานต้องรับผิดชอบงานติดต่อลูกค้าต้องรับผิดชอบลูกค้าของต้องมีคุณภาพทุกอย่างหลอกเขาไม่ได้ถ้าเราใช้ชีวิตเริ่มจากคาว่าหลอกแล้วก็จบไม่เจริญในที่สุด เรต้องหนีไปเรื่อยๆก็หกไปเรื่อยๆมันไม่มีความมั่นคงและถาวรไม่ได้ฉันพวกเราเริ่มหลอกตัวเองคิดว่าทางนี้เป็นความสุขผิดไม่ใช่ใครว่ากินเหล้าเป็นความสุขเที่ยวเตยยำกลางคืนใช้เงินเกินตัวเป็นความสำราญเป็นความสุขผิด เริ่มก่อทุกข์แล้วยิ่งเริ่มมั่วชีวิตคู่การเรียนนี้สับสนเกรดนี้ตกหัวภาพเลยใครที่เคยเรียนดีมาแล้วก็เกรดเรียนตกต่ำลงมานั่นคือเริ่มสับสนชีวิตการศึกษาการเล่าเรียนไม่เอาจริงสมองความจําจิตใจ มันถูกทำลายสมาธิหมดให้อาจารย์ช่วยจับตาคำนี้ด้วยนะนักศึกษาที่เคยเรียนดีมาแล้วเกรดนี้ตกอบท่าเขามีปัญหาทันทีคนนี้ตามไปดูได้เลยความประพฤตินี้ไม่เหมือนเดิมแต่เด็กคนไหนเรียนเกรดดีขึ้นดีขึ้นความประพฤติเขาเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มเริ่มดี ปัญหาเขาเริ่มเคลียร์ตัวเองได้หรือเขาทําตัวเองใหม่ได้เนี่ยเอาไปวิจัยดยนะสองคำนี้และธรรมเชื่อว่านิสิตนักศึกษารู้อยู่แก่ใจโดยเฉพาะเพื่อนเราเองและตัวเราลองคบชีวิตใครดูเลยเริ่มเป็นแฟนกั น, นการเรียนเริ่มตกนะเชื่อวอ่านหนังสือนี่เบิลอนะ่านไปอ่านมาเป็นรูปหน้าเลยนะจริง ฟังเพลงดีๆใจลอยอ่ะมันลอยได้อย่างไรสมาธิจิตมันไม่มีพลังจิตอ่อนและเรื่องจริงนะคืนนี้ก่อนที่จะนอนย้อนคำที่อรตมาบอกใช่เลยใช่เลยหรือเริ่มเป็นนี้เมื่อไหร่การเรียนก็ตกครูอาจารย์ช่วยดูนิดนะ เด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินตอนนี้เด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวหรือชีวิตคู่หรือเริ่มทำตัวไม่เป็นนักศึกษาเริ่มทำตัวเป็นนักสแสวงหารู้สึกชุดที่ใส่มันไม่ภูมิใจแล้วนะจำได้ไหมวันแรกที่เดินเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลายัยโอ้โหเราอยากจะใส่ชุด ภูมิใจหมุนขวาหมุนซ้ายจำได้ไหมโหอยากจะได้ชุดใสเป็นความภูมิใจมากแล้วตอนนี้ยังภูมิใจอยู่ไหมหรืออยากจะถอดเร็วๆ ว, วันเวลาผ่านไม่กี่ปีความภูมิใจาย่หายไปสิ่งที่อยากจะเตือนอีกอย่าง ความรับผิดชอบตัวเองบางคนนะไม่เรียบร้อยแม้แต่ที่นอนเสื้อผ้าที่ใส่ยังขี้เกียจซักยอ่แต่ถูบ้านเลยดิฉันเป็นคนรักสะอาดชอบสวยงามแต่เป็นคนสกรปรกมันค้านกันกลิ่นตัวบอกไม่ได้เลยว่าประมาณเท่าไหร่ยี่ห้อไหนเอาไม่อยู่ เธอห้ามยกแขนเมื่ออยู่ใกล้ฉันมีคนแมถ้าเธอยกแขนเมื่อไรฉันจะไปจากที่นี่ฉันทนไม่ได้เพราะเธอกลิ่นหอมไปรีบซักตัวเองเสียาำความสะอาดตั้งแต่หนังศีรษะเส้นผมจนถึงเล็บเท้าสะอาดไม่ใช่คือเรื่องของสวยงามนะความสะอาดต้องเป็นหัวใจอย่างที่นี่สะอาด เห็นดูพื้นนั่งสะอาดสถานที่เราสะอาดห้องน้ำของเราสะอาดเพราะเรามีกฎระเบียบการดูแลต้องสะอาดทีนี้เราดูแลเพียงส่วนตัวเนี่ยนะเสื้อผ้าผ้าหม่มเคยซักไหมหมอนทุ่งหมอนเคยซักไหม การพับเสื้อผ้ามีระเบียบไหมเราดูจุดที่เริ่มจากตัวเองก่อนก่อนที่จะไปถึงความละเอียดในชีวิตดูเราเป็นคนเผื่อแผ่ไหมเห็นแก่ตัวไหมคนเคารพตัวเองเขามีความรับผิดชอบโดยเฉพาะความกระตือรือร้อนเนี่ย ชีวิตไม่ใช่อยู่แบบเซ็งกระจายอยู่มันคนแก่แปดสิบแต่ชีวิตยังสิบ18ดอยู่เนี่ยนะใช้ไม่ได้ไม่ได้ไว้อย่างนี้ต้องคิดถึงอนาคตคิดให้มากเราต้องก้าวไปมีความคิดสร้างสรรค์ไหมหรือคิดแล้วมันถอยหลังชีวิตใครหยุดอยู่กับที่แต่มาบอกไม่เจริญไวอย่างนี้นะ ถ้ามาดูถูกเลยคนนี้ไม่เจริญไม่พัฒนาไม่มีอุดมการสร้างความคิดไม่เป็นจุดประกายชีวิตไม่เป็นความกระตือรือร้นไม่มีคนนี้ไม่มีศักยภาพความมั่นใจไม่มีการสู้ชีวิตความอดทนความอดกลั้นไม่มีไปไม่ได้สมาธิไม่มี ใช้ไม่ได้เช่นทุกคนต้องมีความกระตือรือร้นอย่างการศึกษาการเรียนต้องให้รู้สึกว่ามันสนุกมันเป็นความรู้มันเป็นเม็ดเงินมันเป็นสิ่งที่ประดับไม่ให้ใครมาดูถูกเราอย่าให้คนก็ดูถูกเราจบยังมีเกียรติหรือเอาเกียรตินิยมก็ได้ แต่ถ้าจบแบบขี้เกียจมันหมดไปแล้วเรียนแบบขี้เกียจฟังให้ดีนะจบแบบขี้เกียจทำงานแบบขี้เกียจเป็นแม่บ้านแบบขี้เกียจเป็นพ่อบ้านแบบขี้เกียจมันมีเกียจไหมมีความสำเร็จไหมบุคคลนี้ควรเคารพไหมเป็นคนกระตือรือร้อนไหมไม่เลย ตำแหน่งหน้าที่ไม่ต้องพูดเลยเป็นชีวิตที่เฉยชาไม่ได้เรื่องทะนั้นตอนนี้เราต้องรับผิดชอบตัวเองโดยเฉพาะมีความกระตือรือร้นเรื่องการศึกษาอย่าลืมนะกลับบ้านครั้งนี้สู้กับตำราก่อนที่จะไปสู่ในรั้วของสถาบันแต่ละวัน วิชาไหนที่ต้องเรียนเนี่ยตมาบอกเคร็ดให้อ่านก่อนหนึ่งจบสงสัยบรรทัดไหนย้อนกลับหลายรอบยังสงสัยอีกเก็บไว้ในใจพรุ่งนี้อาจารย์เข้ามาสอบพอถึงเวลาถามใครไม่เข้าใจยกมือถามแสดงความกล้า ถามเลยบรรทัดนี้ไม่เข้าใจเทคนิคคืออะไรวิธีการคืออะไรถามอธิบายแล้วไม่เข้าใจรู้สึกช้านิดนึงกลัวเพื่อนจะเสียเวลาเก็บไว้ตามตื้ออาจารย์ต่ออาจารย์ขาหนูไม่เข้าใจหนูสงสัยบางทีมันมีเทคนิคนิดเดียวพอเข้าใจจุดเดียวไปหมดเลย เหมือนการบวกหารเลขเนี่ยถ้าเราเข้าใจวิธีไม่ยากแต่วิธีการเมื่อไม่เข้าใจมันวุ่นวายทำไม่ได้แล้วดูเหมือนยากที่เขาไปติววิชามันเคร็ดนิดเดียวเขาบอกวิธีว่าวิธีคูณอย่างนี้นะหารอย่างนี้บวกอย่างนี้แค่นี้เองแต่ถ้าเราเราไม่ได้มันก็จะไม่ได้หมดเลยแต่ถ้าได้มันได้หมดฉะนั้นอ่านก่อน ไปเรียนดักหน้าก่อนทุกวิชาสงสัยแล้วถามไม่มีคนสอบตกถ้ามาเป็นห่วงว่าจะได้เกียรตินิยมทั้งห้องอาจารย์จะหนักใจเด็กมันพัฒนาเร็วไปกลัวจะมาแย่งอาชีพเห็นไหมถ้าเรารู้วิธีแล้วเราจะไม่เบื่อ ไม่เบื่อไม่มีอะไรยากกว่าการฝึกฝนและไม่มีอะไรที่จะยากกว่าความพยายามตั้งใจนิดหนึ่งอาตมาบวทใหม่ๆยิ่งเป็นภาษาบาลียากทำไงดีเนาะมันไม่เหมือนภาษาไทยเลยโอ้โหท่องก็ยาวกว่าจะจบพอจะมารู้วิธีนิดเดียว ให้กำลังใจตัวเองบอกเออคนอื่นเขาทำได้ท่องได้มันก็คงไม่ยากเกินมนุษย์วันนี้ท่องไม่จำไม่ไม่ได้หมายว่าเราทำไม่ได้หรือต้องท้อหรือถอยไม่จำเป็นเอางี้ดีกว่าท่องบ่อยๆท่องให้นานกว่าเดิม ท่องทีละตัวเพิ่มไปทีละตัวแล้วปิดแล้วก็ท่องอ่านปิดท่องอ่านทีแรกเปิดตำราท่องก่อนให้ขึ้นตาขึ้นใจก่อนปิดท่องตรงในสะดุดเปิดย้าใหม่ปิดเปิดย้าปิดเปิดเนี่ยแต่มาบอกเออในที่สุดถ้าเราจำได้ท่องด้วยปากเปล่าเพียงครั้งเดียว เราสามารถใช้ได้ทั้งชีวิตโอโหเรานี้กําไรมากเราลงทุนท่องเพียงไม่กี่วันพอเราจาได้เราใช้เขาได้ทั้งชีวิตโอธรรมาบอกเกินคุ้มเลยเนี่ยอืกําลังใจมาจากไหนไม่รู้ทั้งครูก็มาหใจอยากจะท่องเลยท่องทั้งเล่มเลยนะเราชนะครั้งเดียวนะโอโหเราใช้ได้ทั้งชีวิต คุมไหมเราขยันเรียนสี่ห้าปีเนี่ยนะเราใช้ทั้งชีวิตทำไมเราจริงท้อถอยทำไมเราจริงไม่รีบเร่งขนขวว่ทำไมเราไม่เพิ่มหาความรู้วิชาวัยของเราตอนนี้เป็นเวลาที่เราหาความรู้เพราะอายุมากขึ้นเนี่ยความจำเริ่มไม่ดีเหมือนเดิมจำไม่นะ เชื่อไหมว่าพวกเราสู้เด็กสามขวบเจ็ดขวบไม่ได้ตอนนี้เอาสิจะมาส่งไปอยู่ประเทศจี น, นคนหนึง่งแอฟริกาคนหนึง่งไปอยู่อินเดียคนหนึง่งเด็กเจ็ดขวบในพูดภาษาพื้นบ้านคล่องหมดแล้วเด็กสามขวบฟังรู้เรื่องหมดแล้วแล้วก็เขาพูดแบบลิ้นก็เป็นธรรมชาติในบ้านเขาเลยนะ พวกเราไปฝึกสองปีสามปีภาษาไม่ไหลลื่นไม่ไหลลื่นลิ้นเนี่ยไม่สัมผัสเหมือนกับเขานะต้องให้เราไปโยอมิดิกาไปเรียนจบในระดับด็อกเตอร์ลิ้นไม่เหมือนเด็กสามสี่ขวบเจ็ดขวบเขาได้แบบซึมนั่นคือสัญญาที่เขามีความจำจำจำจำ เด็กก็เหมือนตลับเทปเปล่าเป็นตลับเทปเปล่าบันทึกอะไรก็จำแต่ของพวกเรานี่ตอนนี้เริ่มสับสนนะยิ่งใครมีชีวิตคู่ในี่ตมาบอกเลยว่าเรียนสู้เข้าไม่ได้พิสูจน์ไหมคนที่ได้เกรดนิยมเนะี่ยไม่ใช่ไปใช้ชีวิตคู่อยู่ตอนนี้คนที่ได้เกรดดีๆไม่ได้ไปอยู่คู่กันตอนนี้ท่านมียกมือตามาเลยตมาจะเปลี่ยนใหม่ จะไม่พูดอย่างนี้มันสับสนหรือใครที่เที่ยวเตะกลางคืนมากเข้ามากขึน้นมากขึน้นโอ้โหยิ่งเที่ยวนี้ทำเกรดได้ดีขึ้นจากเกรดสองเป็นเกรดสามจากเกรดสามเป็นเกรดสี่ขึ้นมาไม่มีทางใครมียกมือเลยเ <c oughs> พื่อนคนไหนบอกว่าอาจารย์อาจารย์พูดผิดแล้วตั้งแต่ดิฉันเริ่มเที่ยวแท็ก เที่ยอดิสโก้เนี่ยนะตั้งแต่ได้เกรดสองอ่อนๆเนี่ยนะไปเที่ยวเลิกเที่ยงคืนตี1หนึ่งเริ่มกินเหล้าสุบุรีใช้เงินฟุงเฟอ้อเกรดสามตอนนี้ทำทีถ้าจะได้เกรดสี่ดูทานทางจะได้เกรดนิยมถ้าจบธรามาจจะเป็นคน ส, งส่งเสียให้เองเพื่อจะทำวิจัยว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมมันเป็น คนนั้นต้องยกให้เป็นอัจฉริยะแต่โดยภาพรวมนะเละเละมีแต่คนที่เขาตั้งใจเรียนเห็น ไ, ไหมแล้วก็ศึกษาค้นหาห้องสมุดบางคนไม่เข้าเลยไม่เข้าฉนันเรามีเวลาแค่ น, นี้ทำไมเราไม่ทำจะมาเอาดีตอนสามสิบ คิดผิดมีเวลาแค่ น, นี้พอผ่านปีนี้ไปปีหน้าเราก็แก่อีกปีนึงเราต้องรับรู้ชีวิตที่ยังไม่รู้อีกเยอะเราต้องต่อสู้ชีวิตที่เรายังไม่ต้องต่อสู้อีกเยอะความลำบากอยู่ข้างหน้าอีกเยอะนะอย่าคิดว่ามันสนุกประมาดูคนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครสนุกเลยเช้าก็รีบรึง่งทำงานออกแล้ว กับมืดเหนื่อยเช้าก็ไปทำงานอีกแข่งขันกันไม่หยุดตอนนี้เราแข่งกับตัวเราเองกับเวลาที่ต้องเรียนให้จบทำแค่นี้พ่อแม่จะภูมิใจเมื่อเราเรียนจบแล้วคิดว่าลูกของเราพึ่งตัวเองได้เพราะมีการศึกษาแล้ว พ่อแม่คิดอย่างนี้จริงๆนะคิดจริงๆถ้าลูกของเราเรียนจบปริญญาได้ใบประกาศศิษยบัตรเมื่อไรพ่อแม่บอกหมดห่วงแล้วลูกของเรามีอนาคตมีการศึกษาเดี๋ยวก็มีการงานดีๆไม่ต้องมาลำบากเหมือนพ่อแม่เคยมีพ่อแม่พูดคำนี้ไหมลูกไม่ต้องลำบากให้พ่อแม่ลำบากพอแล้ว เรียนให้สูงไว้ลูกเรียนให้ให้เก่งไว้ลูกขยันเรียนนะลูกพ่อแม่จะส่งเสียงให้แต่วันนั้นยา้ท่านต้องร้องไห้นะยายท่านต้องร้องไห้ถ้าทําให้ท่านร้องไห้ทํามาบอกตกนรกนะลูกคนนีเราเป็นหนี้ท่านมากเกินและทําให้ท่านเสียใจอีกเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่คิดดอกเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ทวงต้น มีเจ้านี่อย่างนี้หรือตัมาว่าไม่มีสุดท้ายท่านยกให้บทแล้วจะแบ่งสมบัติให้อีกนะแบ่งสมบัติที่ท่านทำทุกวันนี้ท่านก็คิดว่าจะให้ลูกท่านแต่ถ้าเรามีวิชาความรู้จริงเราไปหาข้างหน้าหาคนที่ดีๆมีความรู้ถามจริง พวกเราจะไปหาคนติดยาไหมเนี่ยในใครคิดว่าจะแต่งงานกับคนติดยาบ้างแต่งกับคนเจ้าชู้เที่ยวเมายำเปเทเมามีไหมไม่มีแต่เราทำตัวเหมือนจะเป็นอย่างนั้นบางคนเลือกเปลี่ยนชีวิตอนาคตเรายังมี วันข้างหน้ายังต้องเดินอีกไกลไม่ใช่มีวันนีนะ้วันนี้เป็นเพียงชีวิตที่เริ่มต้นในการหาความรู้เท่านั้นเองแต่ชีวิตจริงๆยังไม่เริ่มเลยเชื่อไหมเนี่ยพวกเรายังไม่ได้เริ่มชีวิตจริงนะยังยังชีวิตจริงรออยู่ข้างหน้าฉะนั้น เราต้องรับผิดชอบตัวเองและก็มีความกระตือรือร้อนกันหน่อยตั้งใจนะอย่างน้อยสู้เพื่อพ่อแม่สู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อคนที่เรารักในวันข้างหน้าแล้วใครก็ดูถูกเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขายตัวเราขายมันสมองเราขายความคิดเราขายความรู้ เราขายวิชาแต่เราไม่ขายจิตวิญญาณศักดิ์ความเป็นมนุษย์ทุกคนต้องมีอย่าย่ำยีตัวเองและอย่าทำร้ายจิตใจพ่อแม่เป็นบาปใครที่เป็นหนี้เขาก็อย่าถลําตัวลึกกว่านั้นถอนตัวขึ้นมาแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่ ชีวิตบางครั้งเราก็ขนองมันก็ผิดพลาดได้ผิดได้ทุกคนนะแต่เราต้องรีบกลับตัวใหม่ไม่เช่นนั้นเราจะผิดทั้งชีวิตแล้วก็ไม่มีใครให้โอกาสเพราะชีวิตของเราเราไม่สแสวงหาโอกาสมันก็จบตรงนี้ก็ขอยุติใน การให้ธรรมะและด้วยความห่วงใยจริงๆจะให้นิสิตนักศึกษาหรือนักศึกษาทุกคนเริ่มต้นใหม่วันนี้อดีตมันก็ผ่านไปแล้วให้มันจบเรามีวันพรุ่งนี้เราก็จงทาวันนี้ให้ดีที่สุดและวันพรุ่งนี้ก็จะดีเองขอจงได้รับความสุขทุกคนเทิน